ท่นานสาุชนพชนบริษัททั้งหลายวันนี้เขามาพบบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องราวของมโหสถขอย้อนต้นสันิดหนึ่งก็ความเชื่อมกันแปลนว่าวันเดือนมีปีผ่านไปหลังจากที่พระเจ้าจุลนีพระมทัทเสียอกกลเสียทีในกรณบายของมโหสถ ครบหน่รอบปีหลังจากที่กองทัพปัญจารนครพ่ายแพ้พระอุบายขโมหสดปัญดิตพระเจ้าจุนนีก็รู้สึกเสียใจที่เสียรู้ในกรณบายไม่ใช่เรื่องของทหารกินสินบนดังที่อนุกิวะกลาบทุนจึงจะทรงหาทางแก้คอยแค้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับเกวัดโวร์ิตก็เหมือนกันมองหน้าตนที่กระจกทีไรก็เห็นแผลที่หน้าผากที่มอสดมโหสดจับหน้าผากโคกับพื้นนะคะยี่กับพื้นจนเลือดไหลเห็นที่ไรก็ซื้อรู้สึกเป็นเดือดเป็นแฉ่มอโหสดมากวันหนึ่งจึงเข้าเกวะดคิดรูบายได้อย่างหนึ่ง จึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจุนานีพรมทัตวันก่อนมาหยุดตรงตรงนี้วันนี้ก็ขอต่อไปว่าพระเจ้าจุนานีได้ทอดพระเนตรเห็นเกวัตบริข่ามาเปล่าเจงไมิทรงตรัสถามว่าว่ายังไงท่านอาจารย์เกวัตท่านมีอุบายอะไรบ้างที่จะบอกให้เราทําอีก ถ้าเป็นอย่างที่แล้วล้วก็เราเห็นจะไม่ยอมจะยอมทําตามความคิดของท่านมัได้แน่แพ้เพราะการลบมาสำคัญแต่แพ้แตบน่าความคิดนี่มันขายทีดด่หน้าเขาแต่ว่าเราเองก็ยังแข็งใจอยู่มากที่แล้วเราเสียรู้ในโกนบายของพระโทสุดที่ต้องหนีทับกลับมายัางไม่เป็นทา แต่ตอนหลังนี่เราจะต้องเอาชนะให้ได้นี่เห็นไหมละ่ะยากใหญ่แต่ก็ใหญ่ได้ไม่จริงใต้ปัญญามันไม่ดีเรียกว่ามันสมองมันดีแต่โอดเย้ก็เรื่องโงแ่แกมยิงไม่ได้มองดูตัวไอ้ตัวนมันแค่ไหนเวลาใครแล้วทำอะไรนั่นโทษอันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดี ในเวลาที่ตัวทำเองไม่ดีตัวไม่ได้มองมันไม่ดีไปยิ่งกว่าเขาแต่เคย น, นั่งติเขาคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนเลวสำหรับท่านเจวัตนีก่ก็เหมือนกันอดนีอดรู้แบบอาจารย์ใหญ่แต่เนื้อแท้จริงๆตัวเองก็โง่กว่ามโหสถมากก็น่าจะรู้สึกตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาโจทยาตานางัง จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดไหมายความดูความบกพร่องที่กิตในกิจที่เราทําถ้าอะไรมันบกพร่องอยู่ก็คิดว่าวันหน้าเราจะไม่ยอมให้บกพร่องสบบามารถระวังมันไว้ไม่ช้าเราก็จะเป็นคนมีความสามารถและมีความฉลาดเป็นอ น, นว่ามบพระราชาตัดมาเยานั้นให้นเกว่าก็กราบทูลและขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าที่้มายได้อย่างหนึ่ง คราวนี้ต้องชนะแน่พะเจ้าค่ะแล้วไม่มีทางที่มิทธิลามานคะรจะรอดพ้นไปจากเงื่อนมือได้เลยพะเยาค่ะเสียทีลูกหลานที่รักฟังไปนะวันนี้จะฟังในเสร็จแล้วไม่เสร็จจะไม่แน่เลยพระเจ้าจุล น, นีจินทัต ถ, ถามว่าไหนท่านว่าอย่างไงคิดยังไงต้องว่ามาสิท่านเจวะจึงกล่าวทูลว่าอุบายสําคัญมากพะเยาค่ะ ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลก็ตอบเมื่อพระองค์กับข้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ยกันเพียงสองต่อสองเท่านั้นเท่านนี้มันเป็นความลับนอา แ, แล้วบอกแล้วแต่ความลับถ้ามารู้ทั้งหูที่สี่มันไม่เป็นความลับท่านี้มาความลับเขาก่อนในนกแก้วขี่รถหัวแล้วก็ขี่ใส่ปากมาที่นั่นแล้วท่านี้มาเป็นความลับอีก เมื่อพระเจ้าจุนันท์อิปมัทถ์ได้ทรงสดับนาดัง น, นั้นก็ตัดวันดีแล้วท่านอาจารย์ท่าเกวัตเอกราบทูลณเวราชาเสด็จขึ้นมาประสาทแล้วก็ไปปรึกษากันในห้องมันทงเอาราว่าข้อหน่งสองไปปรึกษากันในสวนไม่ได้ไปนี่นกแก้วมาขี้แล้วข้ออีกทั้งที้ใส่ปากคราวนี้ปรึกษากันในห้องมันทงของบระราชา กิวติกรธุริขอเดชะควรเช้มายล่อพระเจ้าวิเทธิราชแน่เอาสิไม่ละด้วยการ ม, มาคุณแล้วตัวฆ่าเสียพร้อมทั้งอุบสพร้อมทั้งมโหสถอีกคานี้เองอย่างนี้เขาเรียกว่าหมูไปล่อเสือใช่ไหม ลอ่อดกามาคุณได้จับฆ่าโมไปล่อเสือเสือก็ไปกินได้อีกเสร็จฟังต่อไปนะราชาถามว่าอุบายของท่านในหน้าฟังแต่เราจะล่อเข้ามาไในใหง ไ, ไมนลองว่ามาทีละท่านเจวาก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเรื่อง น, นี้ไม่ยากเลยราชธิดาของพระองค์ต้านนาว่าปัญจาละจันที มีพระรูปโระชงดงามมากเกวัดยังทูนที่ตอนนี y divorce, y widow, ้ธรรมเกวัดทูนไม่ทันจบพระเจ้าจุนันทีก็ทรงกริ้วได้ประเสริฐเสียงดังว่านี่หยุดหยุดหุดเกวัดเกวัดหยุดจุดหท่านจะให้ราชธินดากือลูกสาวของเราไปล่อคาสิกยั้นงหละท่านดูมินลรามากเกินไปเสียแล้ว วงดะโกงของเรานี่ยไม่เคยทำเช่นนั้น่ะหากว่าท่านจะพูดไม่ถูกใจเราอีกเราจะประหารชีวิตตันเสียเอาแล้วทำไมนะคิว่าจะอยู่อยู่จะยกลูกสาวไว้ให้เขาให้ก็มาให้หนูตัวเล็กๆกำลังกระจุมก็ะจิ๋มให้ควายแก่กินยาอ่อนเนี่ยนะอาจจะเสียกำลังใจได้ดีไม่ไดีถูกเมียทุนก็มานอย่างนั้นเมียทุนนี้ก็เสียท่า ราชาคิดมาเป็นอย่างนั้นต่เกวัตถ์้ามีความหมายอย่างหนึ่งฟังต่อไปท่านเกวัตถ์กราบทูลว่ายังไม่ไม่ควรจะสทประท า, านท่านเกวัตกราบทูลอย่างไม่สตุะท า, านเ่อตายแล้วไม่ตายไม่เกรงใจเพราะว่าความคิดเห็นของในอย่างกับราชาเมื่อขอเดชะได้โปรดฟังข่าพระพุทธเจ้ากราบทูลและจบเรื่องก่อนพระยาคาเหย่าเพื่อทรงพระวีโลด อุบายของข้าพระพุทธเจ้าครา้นี้เป็นที่จะต้องเป็นที่พอพระเจริญไทยของพระองค์อย่างยี่งถ้าหากว่าพระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าถวายจนจบหากไม่เป็นที่พอพระไทยข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะท่านในเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ราชาเยสวดวัตถาจึงได้ทร ง, ง, ง, งตัดว่าถ้าอย่า ง, งนั้นก็พูดไปที่เรื่องมันเป็นยังไงถ้าเกว่า จ, จินัยกราวทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าต้องการให้เบโอนเรียกนักโวยมาแต่งพนาความงามของพระราชิดาเป็นเพลงขับแล้วก็ให้นักร้องขับกรับกราบครานั้นไปเมืองมิทิลาใช่ไหม ส่งให้นักร้องแต่งเพลงครับมันเพราะพัฒนาความงามของสาวนี่ก็ส่งนักร้องไปเมืองยีรามหานครครับบทร้องก็้นไปร้องเพลงร้องกลางแจ้งบ้างร้องกลางแปลงบ้างร้องในวิทยบ้างร้องที่นักร้องมันด่ดีไม่ดีก็มาร้องกันที่สนามหลวงประชาชนเอ า, อางั้นประชาชนเอ า, อางี้ ประชาชนย่ญญาทราบเลยอาณาจักรบีดีไม่ดีมีแต่ที่ดินเงินหมดกันหลายสิบล้านบทชขับให้มีใจความว่าพระราชวินดาของรัชทายในปัญจาละ น, ะ น, นาคคอนำว่าปัญจและจันทีทรงมีพระรูปโฉมงดงามดุจนางเทพอักษรสมควรที่เป็นเอกอกรรมยศสีข้าวเจ้าวิเทยรราชประมรษัต์เป็นอ ย, ย่างยิ่งขึนแ ถ้าหาวิเจ้าวิเทระได้นารีรัตน์ปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์นะหมายความถ้าวิเจ้าวิเทราะไม่ได้นารีรัตน์เห็นปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์ครองวิเทระต่อไป เมื่อเพรียงขับแพ่ไปถึงแม่กันเขาพว้เจ้า ว, วิเทหราชแล้วก็เชื่อในว่าพระองค์จะต้องหลงไหลในความงามของพระราชาธิดาและคง ม, มีพระเบญสง์จะวิเศษสมรสกับพระนางอุบายต่อไปที่จะทํากับพระเจ้าวิเ ท, าาทรหราชมโหสถเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระเดียวกันไว้เจ้าจุทนุจุนนีธรรมทัศตทรงพอพระไทย ทนแรกว่าคิดว่าอยู่ๆจะยกตูกสาวถ้าเป็นเมียเขามันเป็นไปไม่ได้ชอบใจนมบายของเกวัตมากจึงรับสั่งให้นักวีที่ประจำพระเยสนักมาประพันธ์บทขับกล่อมมีใจความตามที่เกวัตกราบทนัน้นแล้วก็นักให้นักขับที่มีเสียงไพเราะสนกโสด ออไปที่ร้องคาเปรโคมที่เมืองมิเทลลาจึงกระทั่งได้ยินเพลงตรกันของพระเจ้าวิเทหราชมันก็ได้ยินไม่ยากคนคนเขาเล่าต่ อ, ตอไปพระเจ้าวิเทหราชจึงได้รับสั่งใหนะ้พวกนักขับร้องมาขับกล่อมในพระราชนีเวศทรงฟังในความเพลิดเพลินและพอใยกับทรงหลงใหลในความงาม ท่านแม่เอาคนแล้วนี่ยในความงามของพระราชดิดาของพระเจ้าจุนนีพมรทัดนะตามที่ขาร้องเพลงนั้นทรงใครใหญ่จะได้นางมาเป็นเอกอัครรมเหสีอครมเหสีนั้นมาจะเอกนะเอกมีอยู่แล้วอัคะเมียผู้เลิศเอกอครมเหสีมีผู้เลิศชั้นหนึ่งก็มีแล้วพก็นาอุทุมพร จึงรับสั่งถามพวกนักขับรองว่าพระราชธิดาขมประเจ้าชนานีเนะี่ยมีพระรูปพระโฉมงามมากจยที่เป็นขับรถจรเงๆ น, นักขับร้ถก็กราบทูลและขอดีใจข้อความในบทนี้ยังพัฒนาความงามขบวนน า, มามไม่ถึงหนึ่งใร้อยแม้ในก็โมตออ้ต่อไปเพราะที่พัฒ น, นามันเนี่มันแม้มพัฒ น, นาจริงๆน สวยวันนี้โอ้โหมันเหมือนอันางเทพธิดาแต่แกคจริงแกไม่เคยเห็นนะแล้วก็ใช้มาร้องแกก็ร้องไปงั้นแกบอกว่าสวยเหมือนกับนางเทพธิดาความจริงเทพธิดาแกก็ไม่เคยเห็นแกก็คุยฟุ้งไปตามคําสั่งของนายมาไม่เน้นไม่ได้หนึ่งในร้อยแล้หนึ่งในพันของความงามที่ปรากฏ แต่ว่านางจริงๆพระเจ้าค่าพระนางจริงๆนะสวยมากโอโ้โหใครเห็นก็คนไหนเห็นคนคนมมั้นคนน่ามึดหลงไหลใฝ่ฝันอยากสัมผัสอยากจะร่วมรักแต่ว่ายังคนยังข่าพระวิจารย์เหมือคนชั้นทาสไม่มีโอกาสถ้าคนที่จะมีโอกาสก็ต้องอย่าพระองค์ในแต่พระเจ้าค่ะ ตเป็นพระราชาที่ทรงพระราชอํานาจมากเป็นมหาประเทศประเทศมหาอํานาจจึงจะมีโอกาสพระราชาประเทศเล็กๆร้อยเอเนครก็ไม่มีทางยังไงยังไงพระเจ้าจุนนีพม่าก็ไม่ยอมยกให้ถ้าพระองค์มีความปรารถนาอะไรถ้าพระพุทธเจ้าหวังว่าคงได้แน่แน่ไอ้พวกนี้ขุ่นจริง พระเจ้าวิเทหราชทรงตัดว่าถ้าอย่างนั้นนะก็เราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุลนีเพื่อขอพระราชธิดามาเป็นอัครมเหสีของเรานักขับร้องที่ออกไปจากพระราชสำนักของพระเจ้าจุลนีก็ได้นําพระราชดํำริของพระเจ้าวิเทหราชที่ตรายกตนมากราบทูลนั้พระเจ้าจุลนีทรงสาบ อาจารย์เกวัตเมื่อทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชมีพระราชประสงค์เอาใบที่ตนวางไว้ชิ้นนั้นจึงได้รับรับพระเจ้าจุรณีจะนำบรราการไปถวายพระเจ้าวิเทหราชและกําหนดวันที่จะเชิญเสนิททมพิธีอภิเษกสมรสให้ไปเอาฝ่ายหญิงขอฝ่ายชายซะแล้ว เขาต้องการให้มาก็ของกำนันไปให้เขาเกรงกลัวเขาจะไม่มาเอาฟังข่าวต่อไปฟังต่อไปข่าวลือทั่วไปเนี่ยพระนครมิจิลาว่าพระเจ้าจุนนีกับพระเจ้าวิเทหราช จ, จะผูกสัมพันธมิตรีต่อกันดอนพระเจ้าจุนนีจะพระราชทานพระราชธิดดาของพระองค์แด่พระเจ้าวิเทหราช และได้ทราบว่าเกวัตโรหิตจะมาเฝ้าเพื่อกำหนดวันพิเศษโอ้โหข่าวมันเร็วจริงๆนะข่าวเรือนี้ได้ยินไปถึงพระราชาวิเทหะวิเทาราษนะพระเจ้าวิเทาราษแล้วก็มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตบีตกถึงการมาของเกวัตเพราะว่าท่านเป็นคนมีปัญญาในมโหสถ ก็ไม่รู้ว่าเจวัตจะมาไม่ไหนอีกแต่ก็ได้เตรียมการวางไข่การแก้ไขไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทข่าวลือที่ว่าเกวัตจะมาเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความจริงคือวันหนึ่งได้มาถึงกรุงมิถิลานครและเข้าเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชถวายเครื่องบรรณาการ เมื่อไดอกาสจึงกราบทูลว่าขอดีชะแท้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นให ญ, ญ่ในมิถิลามหานครพระราชาของข้าพระพุทธเจ้าทรงพรนันว่าพระเจ้าจนาลีราธรรมทัศตแห่งปัญจาลนะครทรงมีพระประสงค์จะทาความสัมพันธ์อัตรีกับพระองค์เพื่อนครนั้นสองเป็นสุวนรัตตภพี ทองแผ่นเดียวกันสุวรใระบรททองประีแบบนดินไม่ว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันถ้าพระพุทธเจ้าจะได้รับพระบรมราชจองค์การจากพระเจ้าจุนนีให้มาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระองค์ในครั้งนี้ถ้าพระพุทธเจ้ า, จ า, จานนหาาวังได้กล่าวว่าพระองค์คงจะยินดีแลพะพระบระราชนาถถย ในการผูกสัมพันธมตรีกับพระราชาของข้าพระพุตธเจ้าขอให้โปรดรับไมตรีอันนี้เถิดพระเจ้าค่ะฟังฟังตอนนี้แล้ก็เหมือนกับประเทศไทยเวลานี้หลายๆายประเทศเขาต้องการผูกสัมพันธไมตรีให้สัมพันธไมตรีนี่มันเป็นสัมพันธมตรีก็ดี ถ้าเผล่ก็มาเมื่อไร่เป็นสัมพันธ์ทำไมตีแล้วก็ยุ่งกันใหญ่แล้วนะเขามีลูกพี่เราไม่มีนะเขามีลกูกพี่ในอย่างเขมรเขาก็มีลูกพี่อย่างลาวเขาก็มีลูกพี่ยนเขาก็มีลูกพี่แต่พวกเราสมัยก่อนมีลูกพี่แต่มีคนก็ขับลูกพี่ไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องยืนยิงขาเดียวโดโดโดเดียวมันจะล้มหรือไม่ล้มถ้าเราไม่มีขาสาย ถ้าว่ากันต่อไปนี่มันเรื่องกันเมืองพระไม่เกี่ยวเป็นอนว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชกรณีย์ไปสั่นถานกับเีวัตวันนี้เขไม่ได้แต่งงานกันหรอกเป็นอย่างดีจากในจัดรับความสัมพันธไมตรีข้าพระเจ้าจุลนีประมทัดแห่งบัญจารนครในความเต็มปฐัยอย่างยิ่งเจ้าเกวัตมาดาวกาดที่ได้กราบทูลต่อไปว่า ขอเดชะเพื่อให้สัมพันธ์มตรีของนักสอนแลของมีสนิทแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระบรมราชองค์การจากพระเจ้าจินนีให้มากราบทูลขอถวายพระราชจิตินดาเพื่นามว่าปัญจาระจันทีแดกพระองค์ขอพระองค์จรเสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีวิเศสมรส กัปปนาณปัญจาลนครเถิดพระ เ, พเจ้าค่ะไม่เอาแล้วแม่เขาเรียกว่าหมู ล, ล่อเสือแต่ว่าเสือตัวนี้จริงๆสําหรับพระเจ้าวิเทีารานี่ก็สงสัยว่าจะเป็นเสือแก่เคี้ยวไว้คือมีแต่สําหรับมีเสือที่มีความสําสคัญก็คือมโหสถเสือตัวนี้สําคัญ พระเจ้าเป็นอนวุวาเพราะเขาสถม่เจเสียน่ะเป็นเสิงสงยงสิยงนี่เนียมหน่ายกระทั่งเสียงต้องคุยกนต่อไปพระเจ้าวิเทียราชไดส้สดับคําของเกวัตบริหิต ด, ดังนัน้นก็ทรงดีประทายสมนักอย่างเยี่งเพื่ออแต่เพื่อให้โมโหสถไปรับทราบเรื่องนี้ไว้โดยเช่นเดียวกับท่านเกวัต ขอท่านนําความเรื่องนี้ไปสนทนากับโมโหสถบัณฑิตของเราให้ทราบไว้ด้วยอันหนึ่งท่านกับโมโหสถก็เคยมีเรื่องกันอยู่เมื่อครั้งธรรมยุทธ์ท่ากะไรขอท่านอยอมไปรับความปับความเขา้าใจกันเสีก่อนไปปรับความเขา้าใจกันเส้นดีก่อนแล้วว่าจริงมาหาเราอีกครั้งตอนนี้ด า, ามุขอดมโหสถไม่ยอมพูดกับเกวัต เมื่อมาหอสดรู้ว่าเกวัตจะมาหาในวันนั้นจึงคิดว่าตนไม่สมควรจะให้จะพูดกับคนลามกชิมเกวัตจึงนนดื่มดื่มดื่มเลยใสในเลยใสกินแล้วมันงขี้ไหลมั้งดื่มเลยใสแต่เช้าให้คนอาสาเริงเอากอฮอล์ม่แอลกอฮอล์ไมสด มานะเลงจนท่อเรือนไอ้โคไม่สวัสดีงัวที่งัวใหม่ๆโคไม่สดยังไม่รู้อะไรขี้งวัวใหม่ๆที่งวงทีใ่ใหม่ๆ ม, ม, ม, ม, ม, มาทาพื้นบ้านทั้งหมดเอาน้ํามันทาเสาเรือนนะแล้วก็ตั้งเตียงพผ้าใบพ้าใบเป็นหนึ่งเตียงสําหรับโมโหสถนอนนะนอกจากนั้นก็เก็บไว้หมด ไม่ว่าจะเตียงจะต่างแั้ว่าดแต่ให้มีมันอันเดียวมาแบบชีตนนชัยเลยโอ้โสดนุด่มผ้าแดงนอนบนเตียงผ้าวางคุณอาสาประตูไว้เจ็ดชั้นแล้วก็บอกวิธีที่จะปฏิบัติต่อเกวัดให้แก่คนเข้าประตทูทุกทุกชั้นว่าควรจะทําแบบไห น, นโอ้โหเอาก็จริงๆนะนี่เอากันจริงๆฟังต่อไป ท่านเกวัดบรหิตอาจารย์ที่เฝ้าพระราชาแล้วก็ตรงมาที่บ้านโมโหสถถึงประตูชั้นที่หนึ่งเชีงเท้คนเฝ้าประตูว่าท่านท่านมโหสถบัณฑิตอยู่ที่ไหนอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดินเข้าไปเขาไม่ทันตอบเลยเขาไม่ทันตอบเดินเข้าไปแล้วทําท่าโวอาจคนเฝ้าประตูกั้นไว้แล้วพราว่าท่านอจะพ้องส่งเสียงไปนะ เพราะว่าท่านจะมาหาท่านมัณฑิตก็จงมานิ่งๆเพราะว่าวันนี้ท่านมันฑิตดื่มเลยใสยอย่างแรงท่านจะต้องไม่มีเสียงเอาอเอือเอ็ดอืองไม่ว่าจะห้ามส่งเสียงดังภาษาอังือษในยุงมากเวลานี้ท่านมโหดสถ ด, ดื่มเลยใสเปมากถ้านจะทาเสียงเอ็ดเสียงดังไม่ได้ แล้วก็ให้ท่เกวัดผ่านประตูชั้นที่หนเข้าไปพอถึงประตูชั้นที่สองคนผ้าประตูก็พูดอย่างเดียวคนที่ผ้าประตูคนแรกแล้วก็ปล่อยเข้าไปเจอานผ่านประตูชั้นที่สามสี่ห้าหกเจ็ดจึงถึงที่มโหสถนอนอยู่มโหสถนอนอยู่มันเตรียมผ้าใหม่เตรียงผ้า เห็นเกวัตรเข้ามาขยับจะพูดแต่มีคนห้ามว่าท่ า, มานมันติดอย่าพูดเพราะท่านดื่มเนยใสยอย่างแรงไม่ควรจะพูดกับคนเลวๆอย่างเกวัตอย่างนี้เมื่อถูกห้ามมาตามที่นัดหมายกันไม้มอสดก็ไม่ยอมพูดอันนี้เขาเขาไม่กกนไว้นะเพราะเขาไม่อยากจะพูดถ้าคืนพูดจริงเงินเนยายมาันเดขี้เป็ด อย่าลำบากท่านเกวะวัดก็ไปหามโหสถเมื่อไม่มีที่นั่งแล้วก็ไม่มีคนต้อนรับก็ทําเป็นก า, การเกลืเกลอนเคอะเคอชมกนท่เกย์เกยกะกะทั้งยายทั้งยังยืนเหยียบที่โคสถอีกด้วยคนของมโหสถเนี่สนอการแกเกวะต่างๆ แสดงคนละแบบคนละทาคนลท่านะ่ะบางคนก็ทํายักคิ้วบ้างบางคนก็ถลึงตาบ้างบางคนก็เงมือทําท่าจะตีบ้างบางคนก็ยกกำปั้นให้บ้างบางคนก็ทําท่าจะเตะบ้างโอ้โย่งจริงท่านเจวะที่างกายของคนเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ ให้รู้สึกว่าส้นองอย่างยิ่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเขนอยู่ต่อไปนี่หน้าคงจะไม่ปลอดภัยจึงพูดกับมโหสถว่าท่านมันดิตเข้าไาเจ้าขอลาแล้วนะแล้วก็เดินออกไปคนของมโหสถยังไม่ช่วยกันจับคอเ ก, ว, กอ ว, เ ว, ว่าผลักเอาสิเวลาค่อยไปผลักเลยบางคนก็ตกหน้าส้บ้าง บางคงกะทุบตีที่หลังบ้างไปถึงว่าตูชั้นไหนก็ถูกผลักถูกสายส่งออกไปโอ้โหนี่โทษนะยล้อกระทูกขนาดนี้เนี่ยแสดงความไม่เป็นนิันแน่ท่านเจวัดได้รับความบอกช้ำทั้งเจ็บทั้งอายรีบเดินมุ่งหน้าไปพ่อพระเจ้าวิเทหาราชสำหรับพระเจ้าวิเทาราชสนมิว่าวันนี้มโหสถบุกเขเรา กับเกวัดคงพบกันแล้วและคงได้สั่งสนทา น, นาเป็นธรรมสาราฉาซึ่งแต่ละกันจะไปที่พอใจอและทั้งคงจะปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่เกิดมาแล้วเป็นอย่างดีต่างก็คงจะภัยให้แต่ละกั น, กนอันหนึ่งท่านอ า, านา อ๋สดคนงยังนดีใจเรื่องกับเปาที่ยันได้พระราชจิตดาเข้า่จาจ่าจุ น, นีมาเป็นมเหสีอ๋อเอาก็อย่างนั้นควายแจจะเล่นยาอ่อนอมันอดไม่ได้นอเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันก็ลำบากถ้าแต่งงานกับคนนุ่นราวคราวเดียวกันมันก็คน ย, ย่งชั่วถ้าว่าตึกแต่งงานกับคุณแกคราวพ่อนี่ มันก็ไม่ต่างกับกินบวกเผานะก็ไม่ได้ความขณะที่พระเจ้าวิทยาิราชสุนทริชย์เรียกความกระยิบยิ้มย่องประทายอย่างนั้นท่านบอกว่าก็พอดีได้ทอดกระเนตเห็นแกวัดโดยเขามาหมอกเฝ้าโดยเฉพาะพระพักจึงนิสโสมัทั้งว่าท่านอาจารย์ท่านพบมโหสถแล้วเลยโหสุด พูดกับท่านอย่างไรบ้างแล้วก็คอโหสิกรรมให้สิ่งกันและกันแล้วกัมังโหสุดชอบใจข่าวที่ท่านนํามาหรือไม่เดียวท่านเจวะกราบทูลมาขอเดชะตายยาไม่เพิงกล่าวคนอย่างโหสุดไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตพระเจ้าค่ะโหสุดเป็นคนถอยกันด่างข้าพระพุทธเจ้าไปถึงบ้าน โมโหสดไม่พูดกับข่าพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่ที่นั่งก็ไม่มีให้ไม่มีการต้อนรับไม่มีการปราศัยทําเป็นไม่แล้วทำเป็นโ ห, ห, หนกคนอย่างโมโหสดนี้ไม่ควรจะอยู่ในตําแหน่งอันมีเกียรติในราชสนาจเลยพระเจ้าค่ะไม่เมื่อกราบมาอย่างนี้จะไหวไงต่อไปลูกหลานที่รัก จะฟังไหมว่าพระเจ้าวิเทร迦ตรขยาเยเทสมองดูเวลาฟังไม่ได้เสีแล้วทีเพราะว่าเวลาหมดวันนี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขออยู่ด้วยวันตะเพียงเท่านี้คนหลังคืยเป็นใหม่ยังมีเรื่องดีๆเยอะเป็ น, นั้นว่าสำหรับวันนี้หลวงปู่ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์คนผล จงมีเดลูกหลานที่รักรรรมดาย่าโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี